พูดได้ตรงไปที่งแทงครทีทะลวงวันนี้เป็นไงนั่งเคยขยับไนั้งเนี่ยการพูดปาจะเป็นขนาดนี้วันนี้เพราะคนอ่านคือพระหรือผู้ผู้คือการนั่งอยู่ใช่นะปากป้านี่ตอบไปที่นะทีเป็นอ้าวก็นี่ไงหมาเป็นรูปแสดงผลว่าอะไรมจะเกิดขึ้นรับฟูมเลยครับแล้วก็อธิบายความหมายว่าอาทิตย์จะแก่พูดอะไรใช่ไหม อันารได้คจันได้แก่หุนอะไรท่านอธิบายดิครับเป็นแบเป็นเงินสดอกไรเป็นเ้าเป็นเงินสดไม่ได้เปิดใหี่เลยไม่ได้เปิดใหม่ปิดแล้วรไม่พักใช่ไหมถ่าต่อวันนี้กี่ท่าี่วันอะไรวันวันเล่อนพุทงวันพุทธลอเนี่แต่แล้วพี่่ะ กลางคืนแล้วท่าเดางวันนะอันนี้กลางวันกลางวันรู้ระพูมกลางวันให้ตะวันออกหรือตะวันตกที่วัดทหนหึ่งอยู่ที่ไหนตะวันตกออกค่ะอันนี้ต้องให้แม่นนะือหลับกาลืมตาใครพูดไหนเห็นเลยหนึ่งสองสีห้าหกเแปดบนะวิธีการรับนักที่นะอาทิตย์อยู่เสมอ อาทิตย์คือเลขหนึ่งใน่มหาลุดลูกคาดไปแต่นั้นเริ่มต้นนับคือนับที่อาทิตย์อยู่อาทิตอยู่ตะวันออกนับที่ตะวันออกไปต่างขึ้นคนอเมริกานับไปกี่ช่องตามหาลูกตยม่ขึ้นแหมอันนี้ขึ้นเลขเก้าเก้าสบามริวารักษาใส่ลไปตอนนี้ใสิ่งที่ไม่ดีการลกินี มันไม่ดีอยู่แล้วลาหูมันเมื่ออยู่แล้วมันอยู่ด้วยกันได้มันส่งผลนะดังนั้นมันเป็นบวกถ้าเราเรียนเรื่องของปฏิศาสตร์บวกบวกเป็นลบลบเป็นบวก่ะเราจะเข้าใจเหมือนกันเปิดผับเปิดเทปเปิดบารที่บอกดังนั้นจันสู่ราหูไหมพราะว่ามันจะมีที่บอกเมื่อเช้ารักใส่เสื้อสีตามมาราหูนะมันเมื่ออยู่แล้วแต่เวลาจันที่บอก อันนี้คือออกสามชั้นอย่างนี้ไปในสามใช่ไหมในสามเป็ น, น, น, ะะ น, นสิ่งที่เราเห็นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นปลาชินีมันจะมีของมันต่างหานใช่ไหมลาบเคลื่อนไปสองมาอยู่ตรงเนี้ยยามใหญ่ของมันมันก็ตกผลยามสุดแล้วหูมันก็ควาาเข้ามาม อ, อ่ายา ม, มใหญ่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปถึงยามใหญ่เอาที่เห็นก่อน <Okay. S 1> อ่าที่เห็นคือ วันนี้ที่เป็ค่ำมาดูอาทิตย์จดไว้เกี่ยวกับเรื่องของธาตุอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแร่ธาตุต่างๆมีเลขหนึ่งเกี่ยวกับทองคําจดไว้เลยอันเดียวนะหนึ่งทองคำสองเลขสองนะเลขสองสองนี่เป็นอันเดียวนะธาเป็นเงินแร่เงินแร่เงินรู้จักไหม แรกเงินหรือเงินสามไปสามตัวนี้ทางคานตัวนี้เป็นที่เกี่ยวกับนะฮะไอ้พวกอย่างมาต่อยพวกเราว่าพวกเนี่ยเนี้ยที่เกี่ยวธุรกิจพวกเนี้ทําถนนเนี้ยเนี้ยเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์ตรงนั้นอที่เกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์ครับตรงนี้อันนี้คือขาดสี่เลสี่อะไรมันจะขึ้นลงนเราจะรู้นะ เลขสีแรกประหลอดะหรื อ, อแรกประลอดตะกั่วนี่สามนะหรืพวกอะไรเนี่ยสามีแรกประลอดหมายความว่าถ้าพูดถึงธุรกิจเกี่ยวอะไรโฆษณาป้ายโฆษณาการทำพิธีกรออกรายการอะไรพวกเนี้ยอันนี้พวกพวกพวกมันต้องอสื่อสารพวกนี้ธุรกิจเกี่ยวพวกนี้มันจะขึ้นมรจะลงเรารู้เย ได้ค้าเกี่ยวกับแร่ถ้าพูดถึงแร่นะแร่สังกะสีเนี่ยตระกูลแร่สังกะ ส, สีพูดถึงธุรกิจเกี่ยวกับอะไรสังฆท า, านพวกนี้มีไหมสุดท้ายสังฆท า, านทั่วประเทศอย่างเงี้ยมีถึงมาเป็นพลังก็เห็นมีตอนนี้มีสังฆสทานใหญ่สังฆีแตกการตีแตกอ่าเห็นไหมอันนี้มันเนี่ยมันจะตรงถ้ามันเข้าตาดมันได้มันก็นั้นอ่าตัวที่หกอะไรหก เลขคงดีทองแดงนะทองแดงนะแล้วก็พวกเสื้อผ้าเนี่ยไอ้ที่ว่าออกแบบดีไซน์เนี่ยเดินแบบกันทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือตัวนี้เลยนะนนอะไรพวกอะไรเสื้อผ้าพวกออกแบบสินค้าเนี่ยเลขก น, นะเลขเจ็ดตะกัวตะ ก, วตะกัวเมื่อกี้ไม่แช่อันารแล้วเป็นเสาเลขเจ็ดเปียวอะไร อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนทีไม่ได้เช่นที่ดินโต อ, อะไรพวกนี้ได้มุทุกอย่างเลยที่เกี่ยวพวกนี้มันจะขึ้นจะลงเรารู้รู้ทันทีแปลก เ, เกี่ยวกับไรนี่ไงกวามซ่องสุมรับหรือการค้าต่างประเทศที่นี่ก็คือมุ่นอีกแหละที่ที่เรียนไปที่อาจารย์ท่านบอกเกี่ยวกับเรื่องหุ่หนเลยเฉพาะมันขึ้นมันลงตามอำนาจในความพอใจนะ ปางหุ้นเนี่ยใช่ได้เลยเด็ดก็คือพวกภาษาที่ดินภาษาที่ดินอ่าที่ดีเป็นคอนโดเป็นโบรมากมายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดอ่ะดันั้นเมื่อวานนี้อาจารย์ใหญ่ได้พูดว่าอะไรที่เด่นมันเป็นเด็ดใช่ไหมวันนี้เียวะก็เรื่องที่ดินคือเด็จเลยมันเกับขึ้นเราถ้าขายขายพวกเนี้ยรวยอย่างเงี้ยขึ้นอะไรที่ดับ เ, เกี่ยวก็เลือกการต่งประเทศเหลนน่านี้อย่างในที่นีมันขึ้นอยู่กับเวลาทุกไหนมัน ส, สน่งผลเต็มที่วันนี้ม า, า จ, จะเรื่องนี้ใช่แต่มันเวลาไหนเพราะเวลาไหนอ่มามันมีของมันที่เป็นนาทีเท่นั้นก็วันนี้อะไรเด่นเนี่ยเราดูที่อะไรที่เดชที่ที่เดนีชมันสาเร็จเลยไงคือผตรงที่เดชเดชนี่คือแปลไปว่อะไรที่ว่าตอนนี้เป็นเด่นชสมมติเดนมันคือสาเร็จเลยครับผัเดียวจบ เงี้ยฮะกับมันเรื่องอะไรเช่นเรื่องที่ดินประธานาธิย์ค<อ>รับก็คือวันนี้แล้วพไไรุ่งนี้เดดเป็นไรจันจันเกี่ยวกับ<ม>เงิน เ, นเงินเดือนจะพัดเกี่ยวกับอะไรอีกนะบริษัทขายน้ํ<ม>าทั่วโลกเป็นไงรวนไหมเนี่ยเนี่ยผมอาารพูดเมื่อวานนี้ดประชามจำไม่ได้แต่เดดเนี่ยคือมั น, ม, นมันทันทีเลยเครื่องหุ้นอันนี้ตอนตอนไหนที่ว่าในตอนขาย ถ้านะ ต, ตอนซื้อดูตอนมันตกปั๊บในวันนั้นเหมือนกันมันตกเวลาไหนแล้วซ้อนซื้อเออก็ได้ไงซ้อนซ้อนขึ้นมาแล้วก็มันจะมีเวลาขายด้วยมันทางทีป้งขายทิวนาติจบมันก็จะได้กำไรช่วงนั้นมันมีช่วงตกนะอย่าลืมนะแม้แมนจะเป็นเดชใช่ไหมแต่มันมีเวลาหนึ่งที่มันเป็นการากินีคือเสียเสียแล้วเอาซื้อแล้วขายตอนมันขึ้นหรือตอนตกขายตอนขึ้น มันก็กรี๊เดียวเห็นไหมามหมื่ล้านสามพนล้านที่อาจารย์บอกคอ่คอยๆไปอย่างนั้นแต่จริงๆอารรู้เหาเรื่องหุ้นแต่ครูรับรู้อาจารย์ี่รู้เพราะนั้นครูรับเด๋ยวเข้าใจที่อาจารย์พูมากเพราะมันเห็นเลยตามคำน่านนี่เลยนะแคณะก่อนที่จะไปเล่นคือรู้อยู่แล้วเอาไปดูก่อนสนุกสนุกดูที่มันขึ้นแล้วค่อยมั่นใจแล้วข้อยต้มต้มต้มพราะมันไม่แค่ที่เป็นสายผู้ว่า แลนะ่รู้แล้วใช่ห ม, น, มนี่เพี ย, ยกแ่ในคำว่าวันนี้แปดกรนีนีมันคือหุ้นคือเลข8ปคือหุ้นคือบอลคือที่รับกอรกระาถ้าเกิดหุ้นวันนี้เป็นกาีีคือเล่นหุ้นวันนี้ไม่ดีหรือเปล่าประมาณนี้มแม่มวันนี้อะไระที่ทบอกคันนี้ว่าวันนี้อะไรเด่นอันเด่นคือหุ้นอันหนึ่งหุ้นือมหาข้าวมาให้มันมาหัวข้อหุ้นละหุ้นอะไอ่าเรื่องอะไรในที่บอกเรื่องไปเรื่องไปที่บอก เป็นเรื่องเป็นเรื่องเองแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเราจะตัดสินใจดูว่าวันนี้เป็นพู้นดีไหมมันเหมือนกับไปตกอารกิเนตไหมก็เป็นหุ้นเล่ตแบบนี้ตามวตัวของมันเนี่ยเล่ตแบบคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉับพลันคือหุ้นที่มันขึ้นลงแบบวในเป้าหมายชออ่าแต่ในวันนั้นมันเป็นเรื่องอะไรที่เด่นที่บอกอันนี้ต้องแยกประเด็นอีกครับไม่หวตัวหน่อยนะที่จะโหนนะแต่แต่บางคือว่ากระดูกมันมีอยู่แล้ว ชุชุกวแต่ถามว่าวันนี้จะเล่นหุ้นหรือเปล่าคำถามว่านมัเล่ทุกวันมันเล่นทุกวันต่ัวไหนใช่ตัวไหนคุณเล่นหุ้นคุณเล่นหุ้นทองเล่นหุ้นเงินรว่าคุณเาจุล่นหุ้นตัวไหนเข้าใจนะอันนี้รู้แล้ว่ามันคืออะไรทองเลือเงินหรือถีดินเนื้อาจารย์หรืออะไรแต่รายละเอียดจริงมีเยอะอาจารย์ท่้นแม่ท่านนัะ เยอะนะแต่ตอนนี้อมาดูเรื่องของเวลาอีกทิศจิบาลนี่ที่นี่มัต้องมีตารางแต่จะ<ซ>ให้รู้ว่าเทวิธีการคิดตารางเวลาขึ้นมาเมื่อวานนี้เข้าข้าวให้ไปแล้วใหญ่ใหญ่เข้าข้า ว, าวให้ไปแล้วนะที่ว่าแปดยันไอเวฟดีไหมคะไอเว็ฟ อ, อันนี้เป็นเวงวงอันนั้นไม่ใช่อันนั้นบุกรการจันอันนั้นในระดับสูง อันนั้นก่อสามมาเศรษฐีอยากจะเป็นเศรษฐีองศาฟังได้เลยะเดินไปหยิบหยิบรถตรีก็ถูกเลยเลือกคนซื้อได้ด้วยนั่นแหละอันนั้นอันนี้ไม่ไม่มีอยู่ในไม่มีไม่ที่จะสอนเนี่ยไม่มีอยู่ในนั้นอันนี้ระดับผู้ใหญ่นั่นแหะที่คุณแฝงไปคุณแขวนแล้วไม่ต้องใช้อ่มาดูเพราะคนไม่มีอมาดูภูมงเรามาดูยังดูแล้ว ว, วันนี้วันอะไรคุณหารดค่ะอ่าคุณหารเดอ่อันนี้การคิดการวางตารางเวลานะที่วันหนึ่งชั่วโมงครึ่งโมครึ่งอันนี้เหนะ็นไหศูนย์ต่างนี้ปอันนี้เรายามใหญ่ก่อนให่แบบที่หนึ่งแนละ้วใหญ่ที่หนึ่งใหญ่้องท้องละเกนะ้าสิบนะเนี่ยที่เนี่ยที่เจ็ดจุดศูนย์ ไ, ไปไอ่ามีชั่วโมงครึ่งต่อไปศูนศูนย์ข้างหลังังเก็ตจะ0ุนศูนหมดเป็นสิบจุดเป็น <15 S 2> เป็นอ่าใ1่สิบาสดหนถงสิบเจ็ดหกจุดสามศูนแปดจุดปันแมในววันามาดูถ้าเป็นจัน อันนี้วันจ้ะอันนี้เป็นวันนะกคางคันวันนี้เราจะเริ่มที่พุทธหัสเอาในวันพฤหัสใช่ไหมในหนชั่วโมงครึ่งใช่ไมเก้าสิบนาทีใช่มเก้าสิบนาทีเริ่มที่ตรงนี้เราเอาเลขห้ามาใส่ที่วันพุทธหัสตรงนี้นะเอาไปเลขอะไรไปเนี่ยหมุนไปเป็นสามก็ไล่ลงมาเลขแปด น, น, นี่จะ<บ>ข้ามเสมอ ไปยามสุดท้ายที่บอกเมื่อวานก็แปดแปดตัวหนังเราเห็นจากนี้เอาเวลาเราคิดเวลาในชั่วโมงยามใหญ่นะเก้าสิบนาทีนะเก้สิบนาทีที่สามเก้าสิบนาทีที่หนึ่งเขาว่าไปอ้าวนี่สองคือการคิดเวลาในหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าถ้าเป็นวันพุธเริ่มที่ไหนฮะพุธเลขอะไรเลขสี่ใช่ไหมสี่เวลากนะารคิดเวลา มาทันที่เสมอตามต้นตามข้างหลงบุชแล้ว4และ2ดีใช่ไหม2อะไร2แล้ว6แล้วก็8สังเกตจะ8เสมอทุกอย่ันทายอ่ะต่อไปยังคารได้3ต่อไปถูกไหมต้องข้างเสมอใช่ไหมเป็น1 5ก็8ใช่ไหมนี่สังเกตจะลงท้าย ช่วงทยยางคือที่เนี้ยที่เราบอก1 6 3หกจุดสามศูนย์ถึงแต่ที่เราบอกการรับน้ำหรือช่องสุดท้ายมันมันละอ่ามันละยามอ่าวันจันเร่สองสองมสองเจ็ดอ่าสามหนึ่งหกะไรหกแี่อ่ะแล้มาสุกอ่ะสุบเล็กไรสุกเลก้าไป4่ไป สองเจ็ดอ่าแล1วไปหนึ่งแล้วไปแปสังเกตสุดท้ายวันเสาร์เราสังเกตเราเนี่ยฮะทุกวันเวลานี้แมที่บอกจะเป็นแอ่าต่อไปอาทิตย์่หงต่อไปไปสองโอ้โหเห็นมวิธีการง่ายนีเดียวถ้าเราเห็นตัวนี้เท่านั้นเอง เวลาวิ่งมาเลยดูเป็นวันวันไปวันนี้พุทธหัดดูที่ช่องนี้นี่คื อ, อยามใหญ่นะตัวเลขที่เห็นนี่คื อ, อยามใหญ่ยามย่อยก็จะต้องแยกออกไปอีกอันนี้ยามใหญ่ยามย่อยแยกตรงไหนแยกเฉพาะเวลานี้โดยเอาตัวเลขที่เห็นนี่แยกออกไปอีกแปดส่วนก็ใช้วิธีการเดียวกันคือหมุนไปอย่างนี้อ่ะมาดูยามย่อยจบไปหมดหรืยัง จบได้หมดหรือยังอันนี้จะแยกแนละ้ว<ป>แล้วค่อยไปทำาพราะเข้าใจแล้วทำได้เลยมัน<ป>จะเป็นตลาดางทีนะอ่ะจดเรจแลเปร็นนะอันนี้ดูเวลาเก้าสิบนาทีนะ น, นี่เก้าสิบเกสิบเกสิบกสิอันนี้จะมาแยกเป็นเกนะ้าสิบออกปาอีกแปดอันนี้เอาให้เห็นก่อน ใช้กนมนอยู่ดีเพราะพวกนี้เรานนี้คือวิธีการนะหาหาแต่ย่างเสร็จนะห้าต่อไปเราได้ครบแล้วอันนี้ยามใหญ่ของแต่ละวันว่าอันนี้คือหัวยามนะหัวยามของแต่ละช่วงเวลานะเลขพวกนี้หัวยามมาดูยามย่อยนะยามย่อยอัดจมตาให้เห็น แง่ายดีอันนี้เอาของขอาโอเคเริ่มต้นที่อะไรศูน์อะไรอันนี้จิเวนาทีจิภานาทีถึงถึูน์อะไรเป็นอะไรหนึ่งห้าที่หนึ่งหกหนึ่งห้าแมสังเกตนะหนึ่งห้าเพราะจิเวนาทีจิภานาทีถูกไหมถูก ต่อไปยามย้อยช่องที่สองศูนอ่าเริ okay, ่เอ๊รู้สึกจะเก่งขึ้นเยอะเลยใช่ไใช่ไหมถึงสามศูนหรือสามหนึ่งสามูนหรือสามหนึ่งสมูนย์ครับสามูนหรือสามหนึ่งสามูนนะนะูสันเริ่มเข้าใจเพราะสามหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนยามแล้วมันต้องเลื่อนมานี้ใช่ไหมศนย์เมอไร่ศูหจุดสองสองจุดสามหนึ่งอ่าสางเกต บูนสาองอสี่สี่เพราะสี่ห้ามันจะเลื่อนมาอีกช่องนั้นใช่ไหมสาเป็นศูนกจุดอะไรอันนี้สามอะไรสามสามหรือสามสองาสังเกตด้วยนะเพื่อเตือนกันสามสามจุดอะไรสี่อันนี้สี่อะไรเะไรห้า อันนี้มันต้องเป็นสี่ห้าใช่ไหมสี่ห้าหรือสี่หกที่จริงตรงนี้มันต้องสี่ห้าใช่ไหมถูกไหมอุสันเริ่มตรงนี้มันต้องเป็นสี่หกเนี้ยเนี้ยเห็นมมันจะต้องมาเนี่ยลขหกหนึ่งหกหนึ่งหกะโอ้โหศูนอะไรศูย์หกจดอสี่ห้าดศูนย์ศูนย์นะ ให้ถูกนะไอถูกจดให้ถูกนะศูนหกโจดย์อะไรศนย์หนึ่งถึงศูนหกโจดย์หกศนย์สี่ลายหง้านห้ายังไงก็ลงให้ไว้ค้าบอ่าออกชิาเองยังไงก็จะลงห้าอ่าถูกไหมอ้าต่อไปศูนถูยอะไร 07น็แล้วจดอะไรสองเจ็ดยไก็ลงหยังไงก็ลงหกเาอะไรยังไงก็ต้องลงหกหนึ่งอะไรดึงหกตอนี้มันหนึ่งห้านต้อง1ึงึกมันต้องลงหกเป็นยใช่อันนี้เป็น07นเจ็ดจุอะไรเอาแล้วเอาแล้ว แม่ผิดนะอันนี้ผิดนะผิดนะเพราะมันจะขาดไปตัวหนึ่งไม่ก็ต้องสอบยมไงมันถูกต้องผิดเนี่ยศนยหกดห้าหกอ่าเนเนเริ่มเด็กนเียนห้องนี้เก่งจัดเลยนี่มันต้องต่อจากตัวนี้ใช่ไหมศูนย์ศู0หกห้าจุด้าหกจดหนหกศย์ เจดโจดย 3. สองศูนเจ็ดจทอะไรสามหนึ่งักูนหอนึ่งมยเหมเพราะสังเกตเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มันจะมีแค่สีช่องแล้วมันจะต้องมาสีช่องนี้มันต้องเป็นศูนใช่ไมออันนี้เป็นศูนเจ็ดจทศูนกับห้าหนึ่งกับหกศูนเจ็ดจทสามหนึ่งถ 07.18 เจ็ดจดหนึ่งแปดอะไรจุดอะไรสามศูนแล้วสี่ห้าอ่าเห็นไหมเราก็ดูแค่นี้ใช่ไหมหนึ่งแปดจุดอ่ตอะไรศูนย์เจ็ดใช่ไหมศูย์เจ8ดจุดหนึ่งแปดนะมันสี่ห้าต้องมันสี่หกหก้ต้องนแล้วก็ศูนย์อะไรนะศูนยเจ็ดจุด สามศูนย์จดศูนย์ศูนย์เพราะอันนี้จบแล้วเก้าสิบนาทีนี่นะเก้าสิบนาทีอันนี้สิเ็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีที่ เ, เ, เ, อ, เ, เ, เอ่อสิบเอ็ดนาทีสิบห้าวันนี้อันนี้เรามาดูผลลัพธ์เมื่อกี้หัวยามเลขอะไรเริ่มต้นที่หกโมงเนี่ยเก้าสิบนาทีเลขอรเอะไรเล่อ่าเลขห้าใช่ไหมเลขห้าเราก็นี่ยวิธีการการหา หมุนไปทางนี้เสมอเด้เลแล้วไปเลขแล้วไปเลขหนึ่1แล้วไปเลขแล้วไปเลขแล้วไปเลข2ไปเลขเจ็แล้วไปเลขแปตกแปดไหมเนี่ยช่วงสุดท้ายของยามไม่ว่ายามใหญ่หรือยามย่อยจะมีเลขแปดเสมอมรณะมรณะเคาเรกช่วงเปลี่ยนยามเนี่ยช่วงเป็นยามเนี่ยตอนที่จะขึ้น เก้าสิบนาทีต่อไปมันจะต้องมาเวลาหูเสมอคือเลขแปดเนี่ยห้าสามหนึ่งกสีสองเจ็ดแล้วก็มาแปดถามว่าอาญาม <5. S 1> ยายนี่สองเวลาเปลี่ยนไหม <5. S 1> เ็เกณฑ์มองขวาใช่ไมเกณมองสามสิบจุดศูนย์หนึ่งก็ว่าไปอันนี้หัวยามก็จะเลื่อนไปช่องนี้เลขสามอ่าเป็นเลขสามสมมุตินะเป็นเลขสามปเห็สมมุตินะ้วก็เวลามเม่อี้เกณฑ์เขียนอ่ะรู้ว่าเป็นเลขสามก็เป็นเลข ห2 7่งปสองเเจดห้าแอะไรเจ็อ่าสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าห้าอ่าอันนี้คือเก้าสิบที่สองเก้าสิบช่วงที่สองคือเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเลขพกนี้มาแล้วปื๊ดวิ่งมาเก้าสิบที่สามใช่ไหมเป็นเลขอะไรลแล้วก็หมุนไปใช่ไหมเลข ลายเลขลายห้าสามแปดเขาจะหมุนไปเก้าสิบนาทีก็หมุนไปสิบนาทีห้าสิบนาทีก็หมุนไปของวันรหัสเริ่มต้นที่เลขห้าเราก็เห็นตัวเลขขึ้นมาอันนี้คือวิธีการหาแต่ที่จริงงานะรุ่นพี่เนี่ยเขาทาสำเร็จหมดแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงอให้รู้เลยว่ามันมาอย่างนี้อันนั้นมันแบบเสร็จ เ, เรียบร้อยแล้วมาถึงกระดากพวกจบ แต่ทั้งเราต้องรู้ที่มาและที่ไปว่ามันมายัางไงมาจากภูมิที่เราเรียนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้กลางวันนะอันนี้กลางวันต้องขื้นตาหาบนะภุมแต่ว่าวันคือพูดอะไรกันเราวิ่งกนด้วยแต่ก็เราันส่ในกมาใส่ในคัเลนดาร์อานี้แล้วเวลาโงอาจจะเขียนว่าเราอยู่ในช่วงยาวใหญ่นยาวใหญ่ะคือต่างันอย่แ้วแต่ว่าห้านี่ยว่ายงที่มีกแต่มงึมันมี เน่แต่คร น, นี้ต้องต้องไปขายไมปขายให้ขยายขายไปใหญ่เนี่ ย, ยนะแต่อันนี้คือวิธีการหาที่มาของตารางยามเขาเรียกขัดถักเกณฑ์ยามใหญ่ยามย่อยนะทั้งแปดเราจะมีนะยามใหญ่แปดยามย่อยยามย่อยหกสิบสี่ แปดแหกสี่ใช่ไหมหนึ่งวันนี้มีหกสิบสี่ยามย่อยมีแปดยามใหญ่ฉะนั้นจางคืนอีกหกสสี่ยามย่อยจะเป็นเท่าไหร่ร้อยี่สิบแปดยามย่อยสิบหกยามใหญ่เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะแต่ว่าไม่เห็นวิธีก่ต้องเอ๊ะจริงจริงถ้าเราเข้าใจตรงนี้จบเย่าารวิธีการใช้มันมีการนับแสดงผลบังคับใช้เดี๋ยวนี้ได้ทันทีขนาด ภูมอย่างเดียวคือขึ้นแดมคุณรักยังชนะขนาดนี้